อาจเป็นเพืือกสุดท้ายที่คุณจะรู้กับทั้งระลึกว่าคุณอาจไม่รู้สึกถึงลมหายใจไหนไหนอีกนั่นเท่ากับเป็นการซักซ้อมเตรียมตายได้ใกล้เคียงของจริงขอให้สังเกตดูเถอะหากมีสติรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกได้อย่างสบายแม้ก้าวลงสู่ความหลับในบัดนั้น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 ก็จะเหลือแต่ความว่างอันแสนสบายของจิตอันสว่างรุ่งโรจน์อยู่นี่ก็เป็นอานิสงส์ของเศษแห่งสติถ้ายังมีโอกาสหลายคืนก่อนตายแล้วคุณใช้ทุกคืนให้คุ้มไม่ทิ้งคว้างก็จะทราบว่าในนาทีเข้าได้เข้าเข็มจวนเจียนสิ้นเลือสิ้นเนื้อ น, นั่นเองว่าไม่มีอะไรในโลก เป็นที่พึ่งได้ดีกว่าสติผู้มีสติก้าลงสู่ความตายคือผู้สบายใจว่าตนมีที่พึ่งให้ตัวเองแน่